ต่อไปหนาา36ธรรมคาราวาทีาทา่คาถาอันทำไ้อย่างธรรมคาราวาที่คาทาโยปนามาเสมเยจะกติตาสัมพุทธาเยจะพุทธาอนาคตาโยเจตระยิยสัมพุทโธ พระคุณนางโซโกนาสนโนพระพุทธเจ้าบรรดาที่ล่วงไปแล้วด้วยที่ยังไม่มาตัดสรูด้วยและพระพุทธเจ้าผู้ขจัดสโสของมหาชนในการบัดนี้ด้วยสัพเพสัตถมัคุรุนอร์เวหาหิงสุเวหาจิจา อาทาปิวิฮริสันติเอสาพุทธานธรรมตาพระพุทธเจ้าทั้งพวกนั้นทุกพระองค์เอาเราพระธรรมได้เป็นมาแล้วด้วยกำลังเป็นอยู่ด้วยและจะเป็นด้วยเพราะธรรมตาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเช่นนั้นเอง กสัมยิยัตตาเมนะมหัตามาไพิกัรคตาสัตมโมพระรูปตาโพธสรางพุทธานัสสาสนามเพราะฉะนันผู้คนผู้รักตนหวังอยู่จะพะคุณเรื่องสูงเมื่อละลึกได้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ จงทำความเคารพระธรรมนายิธรรมโมอาธรรมโมจะผูโพสมรรรมวิปากิโ น, รนธรรมและอาธรรมจะมีผลเหมือนกันทั้งสองอย่างหามิได้อาธรรมโมนิรยังเตติธรรมโมปาเตติสุขติอาธรรมย่อมนำไปนรก ทมย่อมนำไปถึงสุขติธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริธรรมแหละย่อมรักษาผู้ประพืชธรรมเป็นนิสธรรมโมสุจินโนสุขมาวงอาติธรรมที่ประพืชดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ตนเอสานิสังโซธรรมเมสุจินเน นี่เป็นอามิสงในธรรมที่ตนประพฤติดีอแอลนาทุกข์ขัดติขจติธรรมมจารีผู้มีปกติประพฤติธรรมยอมไม่ไปสู่ทุกขติ